ชอบาความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายตรงปรงปพิยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมกรรมสกทาสมาธิคือปัญญาเน้นชอบในกฎของกรรมก็เป็นเน้นที่ตัวกุศลละกบรรแล้วก็นำไปสู่ผลคืออนิสง์ในด้านต่างๆตามปีเรามาเรนกันนั่นเรากตประินไ <c oughs> จะเป็นเมตตาระดับชิ้นธรรมจัญญาพูดง่ายๆว่าเมตตาระดับพรหมิหารคือเมตละารในการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรเป็นเรื่องของสังคมสันติถึงก็หมายความว่าถ้าคนอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาจิตต่อกันเป็นรูปกิริยาปฏิกิริยานะครับ ความเป็นหนึ่งเดียว ก, กันก็เกิดขึ้นวันก่อนก็ได้ยกตัวอย่างชาวบ้านกับพระเพระตามปกติแล้วชาวบ้านจะมีความรู้สึกอ่อนไหวที่เกี่ยวกับพระชมแล้วก็เล็งผลเลิศด้วยาการมองถึงความจริงตามสมควรแก่ฐานะของท่านเราเนี่น ว่าแต่ละคนส่วนมากมันก็มีลูกหลานบวชเรียนหรือแม้แต่ตัวเองก็เคยบวชเรียนมาแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติได้ดีกันหมดเนี่ยก็มีพระญาบุคคลเกิดขึ้นเยอะนะแต่แม้แต่ศึกษาไปรักษาระดับศีลห้าได้เนี่ยสาธุชนในข้างนอกวัดก็เกิดขึ้นเยอะแล้วก็จริงแล้วมันคนเรามีความสามารถที่แตกต่างกัน การประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองแต่ว่าให้มันมีความเปลี่ยนแปลงก็แล้วกันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคล้ายๆกับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่เราปลูกลงไปแล้วมันไม่มีร่องรอยของความเจริญเติบโตเลยอย่างนี้ก็ว่ากันนะไปขนทิ้งไปเลยแต่ว่าบางชนิดมันโตช้านะฮะโตช้าก็เข้มแข็งมีความแข็งแรงก็ต้องรอกัน ดาการมองกันด้วยความเมตตาเข้าใจให้อภัยอดทนแล้วก็พร้อมที่จะรอคอ ย, อยก็เปลี่ยนแปลงว่าท่านเหล่านั้นบางครั้งก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกคนอื่นก็จะเป็นอะไรแต่สนใจว่าเราจะประพฤติปฏิบัติยังไงเพราะว่าสิ่งที่รรับผิดชอบจริงๆเนี่ยไม่ไดอยู่ที่สนใจคนอื่นแต่อยู่ที่สนใจตัวเองล้วแก้ไขประปรุงตัวเอง พระยาทรระทานหลัก่อยว่าไม่ควรใส่ใจถึงถ้อยคาหยาบคายร้ายกาจของบุคคลอื่นในสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่นแต่ควรจะใส่ใจสนใจซึ่งถึงถึงสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทาของตอนเองเพราะเราสนใจในเรื่องเหล่านี้เราแก้ปัญหาได้แต่สนใจเรื่องของคนอื่นมันแก้ปัญหาไม่ได้ เรื่องของเขาก็คือเรื่องของเขาไหนก็เราสนใจกิจกรรมเราจะเห็นว่าเราสนใจกิจกรรมทางการเมืองโลกอย่างเงี้ยเศรษฐกิจโลกอย่าเงี่ยสภาวะแวดล้อมโลกอย่างเงี้ยถามว่ามันได้อะไรมันก็เราก็ไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็สูญเสียเวลาไปติดตามข่าวคราวในเรื่องนี้อยู่เยอะแต่ก็แน่นอนโลกของการ เรียนรู้ยุคของข้อมูลข่าวสารแล้วก็ควรจะมีการศึกษารเรียนรู้อยู่บ้างแต่ว่าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสารรค์ระหว่างเรากับบคุคคลอื่นในแวดวงที่ใกล้ตัวเราแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวให้ได้แต่กันเพราะในการเจริญเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมตตาเจตุเตตัวิมุตติคือจิตที่มันหลุดพ้นจากอานาจของกิเลสด้วยเมตตาเนี่ย เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นมาได้แม้ช่วงรับนี้มือเดียวคือรุบเดียวก็เป็นธรรมที่มีผลมีอนิสง์มากคือสรุปไปรูุบเดียวตรงนั้นอะกิเลสมันสงบทีนี้ถ้าเป็นการสงบระดับเป็นช่วงจังหวะเช่นสมมติว่าเกิดสงบก่อนตาย ก็ตายไปโดยจิตใจที่ผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะเล่าถึงมันทุกะเทพประบุตรหรือเทยบุตรอดีตเป็นกบก็ฟังพระสาทยายอภิธรรมแต่ท่านเองก็ฟังไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไะเพียงแต่รู้ว่านี้คือเสียงครับเป็นเสียงที่พระกำลังสาทยายก็ตั้งใจฟัง แล้วก็พอดีมีชาวนาคนหนึ่งคนเลี้ยงโคนะฮะเดินมาแล้วก็ถือไม้ไล่โคมาด้วยก็ไม่เห็นหรอกฮะก็ได้ยินเสียงพระศาสตายายแล้วก็แสดงธรรมก็ใส่ใจก็ยืนฟังก็ไม้มาค้ำตัวเองเสียบลงบนหัวกบพอดีเลยกบก็ตายไปด้วยใจที่จดจ่ออยู่ที่ธรรมะ ก็บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ได้หรือว่ามันสามารถที่จะยกระดับจิตขึ้นไปสู่เมตตาฌานแล้วก็พัฒนาต่อไปได้โดยลำดับเพราะเมตตาระดับนี้ที่เรียกว่าเจริญเมตตาเนี่ยมันกางเป็นการพยายามสร้างความรู้สึกมุ่งดีปรารถนานดีเป็นด้านจิตใจนะ ในด้านจิตใจคือเราสร้างความรู้สึกของเราต้องการที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบีย น, นกันไม่ปะทุสลายกันเราสร้างความรู้สึกเหล่านั้นแผ่ไปในกลุ่มคนทั้งหลายตอนแรกๆ ก, ก็ทําเจาะจงกลุ่มเป้าหมายซะก่อนเห็นว่าจะเริม่มเมตตาในใครที่มันไปได้ง่ายก็ทําไปก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะ สร้างความรู้สึกเมตตาโดยไม่เจาะจงเป็นลูกคนสเพสตาเนะสะเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเอาเวลาหนตัวเอปะชาปยาเอาญยาประชาหุนตัวเป็นต้นเนี่ยแล้วก็จะเดินเมตตาอยู่อย่างนี้ตลอดยังในสมัยโบราณเนี่ยผู้คาถาเดินป่าของคนรุ่นปุยญาตยาย เดี๋ยวเราไปเอามาอ่านดูเราไม่มีอะไรเลยคือเจริญเมตตาเป็นการเจริญเมตตาต่อคนต่อสัตว์ต่อเทวดาทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายเนี่ยสร้างเมตตาจิตแต่ก็มีที่ใช้กันอยู่นี่พวกกรณีเมตตาสูตรพวกขันธประิปเป็นคาถาเดินป่าแล้วก็แถมพวกวิปัสสิตเข้าไปพอไปดูแล้วไม่มีอะไรอะ่ะมันมันเป็นการสร้างความรู้สึก เมตตาปรารถนาดีคือสร้างความเป็นมิตรระวังกันและการให้บังเกิดขึ้นเพื่อจะได้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันทีนี้การการตั้งจิตแผ่เมตตาเนี่ยเป็นเรื่องของอาการอธิฐานใจปรารถนาที่จะเห็นแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราแผ่เมตตาไปทั้งหมดหรอก ถ้าเราเมตต์แผ่เมตตาแล้วคนอยู่ดีมีสุขกันได้หมดมันก็ไม่ต้องทําอะไรมันก็ฝืนฝืนกดของกรร ม, มอยู่เพราะกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องทําเองความเมตตาที่มันจะเกิดผลจริงๆคือเมื่อเราตั้งใจแผ่เมตตาและใจเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆไปอันตรายจะเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นแต่จะไม่เกิดขึ้นเพราะการกระทําของเรา ความไม่มีเวรไม่มีภัยก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทําของเราแต่ถ้าหากว่าเขาสร้างเมตตาจิตหรือมีความชื่นชมยินดีเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงนั้นจิตใจของเขาเองแม้แต่การทําบุญดังกุศลต่างๆเนี่ยพึ่งลองสังเกตว่าเช่นสมพติ ว, ว่าทําบุญดังกุศลแล้วก็อุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่เขาเขาก็ต้องอนุโมทนา เพียงแต่ว่าได้อาศัยการกระทาความดีของเราเป็นเครื่องมือในการโมทนาความดีเขาเองก็จัดริษยาเราเองก็จัดโลภะก็จัดโมหะออกไปแต่ก็สรุปแล้วว่าใจก็บริสุทธ์ตามสมควรในฐานะโดยกันเพราะว่าริษยามันก็คือโลภะโทสะโมหะที่ปะปนกันอยู่ ทีนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกได้จริงๆคือแผ่ไปได้จริงๆในทิศตั้งปวงเนี่ยขอความไม่มีเวรไม่มีภัยจงมาเกิดขึ้นแก่สัพสัตว์ทั้งหลายก็แผ่ไปเรื่อยๆนะยงก่อนจะนอนเนี่ยก็แผ่ไม่ตาจะหน่อยนะึตื่นนอนก็ตั้งจิตแผ่ไม่ตาไปหน่อยหนะึ่งที่ท่านเล่านะแม้แต่สัตว์ดิเรกชนคือตั้งใจ นอบน้อมต่อพระอาทิตย์แล้วก็แผ่เมตตาจิตต่สอสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าก็ป ล, อ, ปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายไปมาโดยความสวัสดีทุกวันตั้งเช้าตั้งเย็นเพราะหลักการต้องการจริงๆก็คืออยู่ที่เราไปชำระล้างจิตใจของเราให้เจือจางจากราคะจากโลภะจาก โทสตนะเราจะเห็นว่าเมตตาเนี่ยในภาคสนามจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันมีค่าสึกใกล้กับมีค่าสึกไกลเมตตาโดยหลักจริงๆเนี่ยไปทำลายเขาเรียกว่าพยาบาทหรือโทสะเกเรประเภทโทสะเกประเภทโกรธนะแต่ทีนี้พอแสดงอาการเนี่ยมันไม่แน่ไม่แน่ว่าตรงนี้มันเป็นเมตตาหรือเป็นอะไร เป็นราคะเป็นความรักเป็นอะไรก็ไม่ไม่รู้เพราะาลักษณะมันคล้ายกั น, นคคือมีลักษณะอบอุ่มทนุถนอมผวงใยญเอื้ออภรรรมงปราธนาดีแต่ว่าจุดต่างเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันเห็นชัดเจนนะะว่าเมตตากับราคะเลยครับกับความรักเนี่ยมันจะแตกต่างกัน เราจึงพบว่าพระพุทธศาสนาไม่่คยพูดเรื่องรักเท่าไรถ้าพูดก็พูดระดับศีลธรรมจัร ญ, ญาแล้วก็พูดถึงการทำตนให้เป็นที่รักหมายความมาทาตนให้เป็นที่รักของคนอื่นแต่ไม่ไม่ค่อยสอนในแนวที่ว่าให้เราในไปรักคนอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่ารักเนี่ยมันจะเจือกรรมาราคะย มันจะเจอความสิเนหาความผูกพันเลื่อใหญ่แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันต้องการการตอบสนองตอบสนองความรู้สึกที่ดีของเราทีนี้ถ้าไม่ตอบสนองนี่จะเกิดหดศัตรนั่นคือต่างกันชัดเจนเลยหมายความว่าถ้าดูที่จิตผู้รักมันต้องรักตอบ แต่ว่าในอาการเนี่ยมันแสดงอบบุ้มคุ้มครองทะนุถนอมพวงใหญ่เมื่ออาทรสารพัดดูเหมือนกับเมตตานะอาการเนี่ยดูเหมือนกันแยกออกยากแต่ดูใจคนได้จะเห็นได้แล้วก็ดูปฏิกิริยาย้อนกลับนี่ยจะเห็นได้ว่าเออตรงนี้ไม่ใช่เมตตานะมันเป็นความรักแล้วในความรักตรงนั้นเน่ยมันจะมีลักษณะที่ประ น, นีขึ้นไปโดยลําดับ ท่านเรียงว่าเป็นสามระดับระดับหนึ่งเรียกว่าการมาราคะคือความกำหนัดกลุ่มนาดความผ่ำแคร่ตรงนี้จะตอบสนองเมื่องตอบสนองสูงอ่ะแล้วถ้าไม่มีการรักตอบไม่มีการมีไมตรีตอบแล้วก็จะเกิดโกรธโกรธบางที่จนทําลายนะฮะทํำลายเด็กแย่งตุกตาเนะี่ยบางทีเมื่อแกแน่ใจว่าแกไม่ได้เนะี่ย คนอื่นก็ต้องไม่ได้ครอบครองไม่ได้คนอื่นก็คอรอบ ค, อคอรองไม่ได้เลยก็ฉีกตุ๊กตาพังเลยมันมันมันจริงๆมันเป็นเรื่องความรักความรักความอยากได้เราแสดงว่าความรักนี่ในลักษณะอย่างนั้นมันอยากได้อยากได้ให้ตอบสนองความต้องการของตนเองอีกแนวหนึ่งเาเรียกว่าเปรมะแปลว่าความรักส่วนมากจะเน้นที่ตัวรูปธรรม รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรดรอยสัมผัสหน้าจับต้องรดับหนึ่งมันค่อนข้างประณีตเขาเรียกเกียรติสิตาเปมมาเป็นความรักในฐานะเป็นครอบเป็นครัวเป็นบ้านเป็นเรือนที่จะต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบมีการผ่อนปลนการอดทนกันมีการให้อภัยกันมีการรอคอยแล้วก็ทำเฉยๆอะไรจะได้นะแต่ว่าโอกาสที่จะหึงหวงเนี่ยมันมีได้เหมือนกันเพราะว่า มันมุ่งการตอบสนองนั่กล่าวเราจึงได้ข่าวบางครั้งบางคราวผูเมียที่แก่แล้วยังถึงหัวกันอย่างนึงก็ขาา ก, กันหรืออย่าร้างกันนั่นก็แสดงว่าเมื่อไม่มีการตอบสนองเธอก็กดโทรศัพท์แต่ว่าไม่ตายนะจะต่างกัน ในตามมีลักษณะโอบกุ้งคุ้มครองดังกล่าวต้องการเรียนการไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสลายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามต้องการกับฐานะของเขาเ อ, อ่อถ้าเป็นไปได้เราก็ชื่นชมยินดีทีนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้นะฮะเขายัางเป็นของเขาเราก็ไปอยู่ดื้อเบกขาถือว่า ศาตร์ทั้งหลายมันก็เป็นไปตามกรรมแต่ในชีวิตก็มีกรรมเป็นของตนจจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมในที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอันใดไว้จะดีชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลนั่นกรรมนั้นเพราะฉะั้นในโครงสร้างของภพ ม, มิหารเนี่ยเราจรึงมีธรรมะสี่ข้อเป็นลักษณะคล้ายๆกระพรมสีหน้าสมาพันทั่วไปเราก็สร้างความรู้สึกเมตตาคนที่ประสบปัญหาก็กรุณาคนที่ ประสบความสาเร็จในด้านต่างๆเราก็มุทิตาเราไม่อยู่ในพิสัยที่จะทำอะไรได้หรือไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรก็มีสองอย่างนะคือคนหนึ่งเขาดำรงอยู่ในสถานะดีงามมั่นคงแล้วไม่จะไม่อาจจะเป็นลูกจะเป็นพี่น้องจะเป็นอะไรนะฮะเขาก็อยู่ดีมีสุขไปแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงใหญ่อะไรรับคนหนึ่งมันไปทาชั่วทำผิดถูกสารตัดสินลงโทษ ทหารชีวิตมันก็ต้องทำใจก็คนรา้งก็เป็นไปตามกรรมก็ทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งเราไม่มีงานจะทำฝ่ายหนึ่งมันไม่สามารถทำอะไรได้ตรงนี้จะทำใจเป็นอุเบกขาเบิกขาก็คือเพ่งดูด้วยผลด้วยสติปัญญาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนจิตใจของเราเนี่ยให้เคลื่อนไหวไปอยู่ในจุดที่สงบเย็นได้อย่างต่อเ น, นื่องคือไม่ได้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง คำว่ปฏิบัติไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้มันจะต้องเคลื่อนไหวไปตามจังหวะตามโอกาสตามบุคคลตามกรณีนะฮะก็แล้วแต่เรื่องอะไรทีนี้ได้ทรงแสดงพวกอ น, นิสงส์งไวใ้ในเมตตาสูตรในเมตตาวักนะฮะคุณตรรนิกายก็ทรงแสดงอ น, นิสงส์งไว้เป็นแปดข้อแต่ว่าในเมตาตานิสังสุตรนั้นทรงแสดงไว้ทั้งสิบเ็ดข้อ แต่เนื้อหาสาระนี่ที่จริงเหมือนกันนะที่ซ้ำกันก็คือเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าในเมตตาสูตรเนี่ยส่งแสดงเมตตาที่มันประณีตขึ้นไปจนถึงเป็นเมตตาฌานนะ้วก็สามารถสงบปุงนิวร์ทั้งหลายได้จนเกิดขึ้นถึงอย่างน้อยก็ประตมฌานนะฮะว่าไปเร่ แล้วก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้คือเราเห็นได้โดยใจของเราว่าเออมันก็เกิดได้จริงๆตอท่านบอกว่าหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายนะสามเรื่องนี้ชัดเจนนะพราถ้าใจเราสงบไม่ก ร, ระสับกระส่ายเนี่ยจะหลับเป็นสุขจะตื่นเป็นสุขและจะฝันฝันดีนะฮะถ้าจะฝันแล้วก็จะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาจะให้การปกป้องรักษาคุ้มครองคนบางคนที่เขาจเจริญไม่ตาอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีประสบการณ์เฉพาะตัวของคนเรานั่นเช่นเราโจรขึ้นบ้านมันก็มีคนปลุกหรือบางทีก็ไฟไหม้เนี่ยมาก็สิบบอกให้ป้องกันเอาไว้เป็นเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้ แต่ว่าเราก็มีคนที่มีประสบการณ์เหล่านี้เยอ ะ, สะแสดงเึงว่าเทวดาท่านคุ้มครองเทวดาเทวดาก็ช่วยดับไฟไม่ได้อะนะจึงจะบอกกล่าวตักเตือนเราให้เรารู้มีไฟมีอันตรายมีโจรมีผู้ร้ายมีไฟไหม้อะไรต่างๆนี้เพรา ะ, ะนั้นท่านบอกว่าไฟยาพิษจตตราเนี่ยไม่สามารถกำไรมายได้ แล้วก็ถ้าได้ระดับเมตตาฌานเนี่ยจะบังเกิดในพรหมโลกคือตายแล้วเป็นบังเกิดในพรหมโลกคือพวกฌานเนี่ยพวกลงตัวเป็นกุศลประเภทเรียกว่าคารุ ก, กรรมผ่ายกุศลที่ควรเมื่อจเจริญ ม, มาถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยถามมาตายแล้วไปไหนนี่ท่านลงตัวเลยเชื่อสมมุติว่าได้ปฐมฌานเนี่ยท่านก็เกิดในพรหมโลกระดับใดระดับหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าฌานัองท่านเนี่ยยาวกลางละเอียด ทุตีชาญก็เกิดผลมาโลกอีกชุดหนึ่งจะว่าไปเรื่อยๆพรุนี้ลงตัวทีนี้ในเมตตาเจตวิมุตติสูตรนี่นะก็ทรงจำแนกแสดงไว้เป็ น, ปนสี่เบียดข้อก็เพิ่มขึ้นมาว่าไม่หลงทำกาล ก, กิริยาคือไม่หลงตายเพราะว่าใจที่อยู่ในเมตตาก็ใจกระองแพร่นะ ให้เราสังเกตว่าอันนี้สูที่เราพูดมาตั้งแต่ทานตั้งศีลศรัทธาการฟังธรรมอะไรต่ออะไรเนะี่ยพอถึงพูดถึงชาติหน้าแล้วเนี่ยก่อนจะตายนะเคยจะไม่หลงตายแต่ตายแล้วก็จะบังเกิดในสุคติทีนี้ท่านบอกว่าผู้จเจริญเมตตาจิตยอยู่เสมอเนี่ยปีใจจะสงบได้เร็ว เพราะอะไรเพราะมันมันมันไม่ถือสาความอะไรอ่ะจนสมมติว่านั่งสมาธิอยู่หมาฝัดกันหมาเหา่าโบกูคนส่งเสียงดังอะไรต่อะไรเราก็ตัดใจไม่ใส่ใจพักเดียวเราก็สงบได้ละรลสมาธิจะตั้งมั่นได้เร็วมันอดกั้นอดผลเมตตาเนี่ยทําได้โดยอัตโนมัติแล้วก็สีหน้าสาคัญอย่างยิ่งคือสีหน้าเนี่ยสงบเย็น ลองดูผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่แปลกนะฮะเขาเรียกว่าสุขชายยาคือมันอบอุ่นเนี่ยก็เข้าใกล้ทะแล้อบอุ่นมีลุงปู่องค์หนึ่งต่างจังหวัดในวัดของท่านเนี่ยพอเข้าไปมันสงบอ่ะมันอบอุ่นมันแปลกแล้วท่านบอกว่าองค์นี้เมตตาแรงมากแล้วก็ถามพระหลายรูป ท่านที่ไปมาเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังแล้วก็ต่างคนต่างเล่าจากประสบการณ์ท่านบอกบางแปลกหลงปูงเนี่ยพอเข้าไปถึงวดัดจิตเนี่ยมันสัมผัสสัมผัสความสงบนั่นก็คือเมตตาจิตที่มันแผ่แผ่คลุงไปในสถานที่ทรงนั้น เพรานอย่างพระมหาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เรียกเมตตานะเขาเรียกกรุณาพระมหากรุณาที่แผ่ไปเนี่ยบรรยากาศมันอบอุน่นมันเหมือนกัคนร้อนมาแล้วก็เข้ามาในบรรยากาศร่มเงาที่เยืเกเย็นพระเจ้าจึงมีสุขฉ า, ายาคือร่มเงาของพระองค์นี่อบอุน่น แล้วคนจะเป็นอะไรมาก็ไม่รู้เร่าร้อนรุนแรงอะไรแต่อไรมาอนนี้มันจะถูกสลายไปโดยธรรมชาติแล้วเพราะบาคนบางคนนี่มาตั้งตัวเป็นศัตว์ซูไปเลยนะฮะอาคาดมากร้ายมันถึงก็ด่าช็อตเลยแต่ด้วยกิริยาลักษณของพระองค์เนี่ยมันอ่อนโยนไปโดยธรรมชาติมันเหมือนกับของร้อนๆจะมาวางใกล้ของเย็นนะฮะมันจะถูกลดความร้อนลงไปด้วยกำลัง เพราะมตตาจิตเนี่ยเป็นการรักษาสุขภาพจิตเวี น, นี่เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเยอะแต่ถ้าลองวิเคราะห์ตรวจสอบเอ้จิตเราทําไมมันร้อนอนึ่งกันนะคือมันรู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ไปเก็บกดอารมณ์ต่างๆเอาไว้เป็นอันมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารื้อดูจิตเนี่ยมันจะมีความาคาดพยาบาทความกระสันหยากต่างๆนอยู่ภายในใจเยอะเลยเมตตาจิตมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะมัน ไม่สามารถจะผ่านด่านความริษยาโทสะหรือกามรมาร่าคะลงไปได้จึงจะต้องเพิ่มเปิดปริมาณของเมตตาให้สูงขึ้นเพื่อจะลดความรุนแรงของอารมณ์ดับนั้นลงไปเมตตาจะมีผลมีอนิสงส์ที่แสดงไว้สองระดับนะหมายความว่าถ้าเมตตาทูปวไปก็ตายและบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าเป็นเมตตาระดับฌาน ไปแล้วเป็นบังเกิดในพรหมโลกแต่ที่แน่นอนที่สุดกิจใจเย็นแล้วก็หน้าตาผองใสมันก็ดูกันได้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าหน้าตาของท่านผองใสตามีแววของไม่ตากรุณาแล้วเนี่ยก็แสดงว่าภายในใจท่านมีความสงบเย็นอยู่พอสมควรนะฮะมากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต้องฟังแต่ไร แต่หรวพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจะเรงมอกงานไปบุญใธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทษ ก, กันสวัสดี